นางพญาหงและบริวารได้ยินเสียงร้องบอกดังนั้นด้วยความตกใจไม่ทันพิจารณาว่าพญาหงจะเป็นอย่างไรต่างก็พากันรีบบินหนีไปโดยเร็วปล่อยให้พญาโหงทองต้องทุกขทรมานในบ่วงแห่งพานไพรนั้นแต่ลำพังข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยการบินหนีไป พร้อมกับโลงที่เป็นบริวารด้วยความตก อ, อกตกใจจนลืมนึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นประธานาธิบดีปล่อยให้ติดอยู่ที่บ่วงอันพรานไัยดักไว้ตามลำพังแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่าธรรมราชธิดา ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระธรรมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นกุมารรูปงามภายหลังได้บรรพชาเป็นสัมมาเนในพระพุทธศาสนาวีนามว่านันทะสามมเนนฝ่ายว่าพิมพาฆ่าพระบาทนี้อุบัติเกิดในพระรา ช, ชตระกูลทรงนามว่า เจ้าฟ้าธรรมราชนธิดาการละวันหนึ่งเป็นเทศกาลถวายพระกระถินเจ้าฟ้าธรรมราชนธิดามีจิตศรัทธานำพระกรถินไปถวายณนะอารามที่นันทสัมมเนนจำพรรษาอยู่ขณะที่เข้าสู่กุศลพิธีเจ้าฟ้าธรรมราชนกุมารีนั่งอยู่ในถ้มกลางแห่งคนทั้งหลายทอดสายตาแลไปที่อาจสงเห็นนันทสัมมเนนนั่งอยู่เป็นรูปสุดท้าย ก็ให้มีจิตคิดปฏิพัติรักใคร่นักหนาด้วยอำนาจแห่งบุเพสนิวาตแม้นั้นทะสมเนนก็มีจิตคิดพิสวาตรรักใคร่ในพระกุมารีผู้สูงศักดิ์เช่นกันดังนั้นเมื่อถึงคราวถวายไทยทานธรรมราชธิดาเจ้าภาพสาวก็ถวายตั้งแต่พระสังฆเถระเป็นลำดับไปจนถึงรูปสุดท้ายคือนันท่าสมเนนก็ถือเครื่องไตยทานชะงักยืนเพ่งพักอยู่ เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าตนมีใจรักแล้วยื่นเครื่องทยาทานน้อมเข้าไปถวายนั้นถ้าสา ม, มเณรก็สุดที่จะหักใจได้ให้หลงลืมสติไปในขณะนั้นพลันยกหัดขึ้นจับข้อพระกรงแห่งพระราชธิดาไว้มั่นเป็นสัญญาให้รู้ว่าตนก็มีใจรักแล้วจึงรับเครื่องทยาทานต่อภายหลังเหตุการณ์อันไม่งามนี้ปรากฏขึ้นในที่ชุมุมชน จะได้รอดพ้นไปจากสายตาของคนทั้งหลายก็หาไม่ได้ชนที่เป็นผู้ใหญ่มั่นคงในศาสนาต่างก็นินทาว่าเก่าทั้งเจ้านันทะสามเณรและเจ้าฟ้าธรรมราชเฉิดาไปต่างๆนานาแล้วว่าจะนำเรื่องขึ้นกราบทูลสมเด็จพระรา ช, ช บ, บิดาให้ทรงจัดการลงโทษในกรณีที่ประพฤติการอันเป็นบาปจาบช้าผิดพระรา ช, ชประเพณีเจ้าฟ้าธรรมรา ช, ชกุมารี ได้สาวนาการผู้คนทั้งหลายกล่าวด้วยความเกลื่ใจชนี้ก็ให้ตกพระไทยครั้นจะกลับไปสู่ปรางปราศาสตรก็ให้มีจิตคิดเกรงกลัวพระราชาอาชาแห่งสมเด็จพระราชาบิดานางจึงตัดสินพระไทยหนีออกจากเขตพระนคร น, นั้นไปอาศัยอยู่ที่ปัจจันตชนบทชายแดนแห่งหนึ่งเจ้านันทสัมเนนซึ่งมีความผิดเช่นกันครั้นได้ทราบว่าเจ้าฟ้าหญิงธรรมราชากุมารีสุดที่รักเสด็จหนีจากพระนคร ก็ให้ร้อนอกร้อนใจจึงสึกออกเป็นครวาตแล้วรีบเดินทางติดตามไปด้วยอํานาจแห่งความรักในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมรักสมัครสังวาสกับนางที่ปัจจันตะชนบทนั้นสมความปรารถนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดของพิมพาข้าพระบาทนี้อาจจะพึงมีในชาตินั้นโดยเป็นเหตุสําคัญให้พระองค์ต้องศึกจากสามเณรในพระพุทธศาสนา ทำให้เสียเวลาประพฤติพรหมจรรย์แล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษแก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านางพญาสกุณีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งาศาสนาพระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพยาสากุลามีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าบรรดานกทั้งหลายฝ่ายว่าพิมพาฆ่าพระบาทนี้ได้เกิดเป็นนางพญาสากุณีอาศัยอยู่ที่หิมวันตะประเทศการละวันหนึ่งเกิดอาเพศบัรดาให้นางพญาสากุณีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ดื่มน้าในสาอโนดาตที่นามาโดยจะงอยปากของพญานกผู้พัสดา หาไม่แล้วตนจะต้องวายชีวาลงเป็นแน่แท้จึงบอกความข้อนั้นแก่พญานกให้รู้ความเป็นไปพญานกผู้สามีก็มิได้รอช้ารีบพกโผลนบินจากรวงรังที่อาศัยทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าโดยบ่ายโฉมหน้าไปสู่อโนดาดสระสีประสงค์ที่จะนําเอาน้ําในสระอโนดาดมาให้นางสุดที่รักครั้นถึงจึงเอาจะ ง, งอยปาก ดูดเอาน้ำอมไว้ได้น้ำสมความปรารถนาก็บินกลับมาแต่เพราะเหตุที่เป็นระยะไกลนักหนาบินมายังไม่ถึงรวงรังที่อาศัยน้ำในปากที่อมมานั้นก็พลันแห้งหายเข้าไปในคอของพญานกเสียสิ้นพญานกจึงบินกลับไปสู่สานโนดาษอีกครั้งอมน้ำจนเห็นว่ามากพอแก่ความต้องการแล้วก็บินกลับมา แต่เหตุการณ์ก็เป็นดังเช่นเดิมคือบินมายังไม่ถึงรวงรังที่อาศัยน้ำในปากที่อมมาก็พลาดสนาการหายแห้งเข้าไปในคอของพญานกนั้นอีกเล่าพญานกเฝ้าบินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ถึงเจ็ครั้งแต่จะได้น้ำมาจนถึงภรรยาก็หาไม่ได้พยายามจนอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็กลับมาแจ้งความจาเป็นแก่นางพญาสกุณีที่รวงรัง พอนางได้ฟังแทนที่จะเห็นใจในความจําเป็นอันเหลือวิสัยกับรังเกิดโทสะร้ายว่าพญานกสามีไปหลงไหลในนางสกุลีอื่นแล้วจะแกล้งให้ตนถึงตึ่งความตายเจ็บใจขึ้นมาก็เข้าทำร้ายพญานกจิกด้วยปากบ้างตีด้วยเท้าและปีกบ้างเป็นพลวันพญานกผู้สามีนั้นแม้จะถูกนางพญาสกุลีที่เป็นภรรยากระทาเอาถึงเพียงนี้ แต่จะได้มีความโกรธแก่นางมากว่าสักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้ทั้งนี้ก็อาศัยด้วยเหตุที่มีความสเสน่หารักใคร่ในภรรยาของตนยิ่งนักหนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดของพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงบังเกิดมีในชาตินั้นโดยที่กรอบวยโมหันไม่ฟังเหตุผลประการใดแล้วเข้าทำร้ายพระองค์ด้วยเท้าและด้วยปีกทั้งจิกด้วยปาก ให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วไซส์ขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เถิดพระเจ้าข้าพระนางมัดสีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระพุทธบารมีใกล้จักสมบูรณ์เต็มที่สเสมยพระชาติเป็นหน่อนเนื้อเชื้อกษัตรทรงพระนามว่าพระเวทสันดรทรงบุญยราสีฝ่ายว่าพิมพาฆ่าพระบาทนี้ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีนามว่าพระนางมัดสียอดเดยวเาวมานการนั้นเราทั้งสองได้ครองกรุงอดุลยเดชในเชตุดอนธานีบุรีเมธมีพระปิโยรสอัครเรสสองพระองค์ทรงนามว่า เจ้าชาลีและกันหาการละครั้งนั้นพระองค์ซึ่งทรงเป็นพระเวสสันดรทรงพระราชศรัทธาใครบริจาคทานจึงทรงพระราชทานกุญชรชาติเผือกผู้เป็นทานแก่พระเมืองกลิ่งครัตชาวพระนครพากันยกขึ้นเป็นอาธิการแล้วขับให้ออกไปจากเมืองพระองค์จึงทรงพาพระนางมัตสีและเจ้าชาลีกันหาออกไปทรงพศหนเขาวงขดแห่งห้องยิมเวท แล้วยังมีพราหมทชีเชษชื่อว่าชูชกตามออกไปทูลขอสองดรุนทารกเพื่อเอามาเป็นทาสีทาสาพระองค์ก็ทรงพระราชศัทธาบริจาคพรากพระลูกรักทั้งสองให้เป็นทานหวังจากแลกเอาพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าทัชีชราก็พาสองโอรสเร่งรีบหนีกลัวนางพระยามัตสีจะมาทันและขัดขวางไม่ให้สมปรารถนาเพลาวันนั้น พระนางมัดสีเข้าไปสู่หิมวันไพรสนเพื่อสแสวงหาพระลาพลครั้นย่ำค่ำสิ้นแสงพระสุริยนก็จจะระดนกลับมาอย่างบรรณศาลามิได้ทัศนาเห็นสองปิโยรถก็ให้ระทศพระไทยจะทูลถามพระราชสวามีสักเท่าใดพระองค์ก็มิได้ตรัสให้แจ้งคดีนางพระยามัทสีก็ยิ่งมีความโศกเศร้าโศกาอุตสาเที่ยวตามหาสองกุมาร พร้อมกับทรงพระกันแสงสะอึกสะอื่นในคืนนั้นเหลือกำลังตั้งตาสอดสายลัดเลี้ยวเที่ยวหาสิทนมักคาถึงส5ห้ายดจนพระสุริยารุ่งโรดระวิวันก็กลับมาถึงบรรณสาลาและสิ้นกำลังจึงถึงซึ่งวิสัญญีภาพสลบไปณนะใกล้พระคันทกุดีพระเวทสันดรราชฤาษีทอดพระเนตรเห็นเหตุร้ายนั้นก็ให้ทรงตลึงงนินไม่อาจที่จะกาหนดว่าตนเป็นดาบทบรรพจิต วิ่งเข้ามาด้วยกำลังพระกรุณาสงสารยกพระเศียรเกล้าของเจ้ามัตสีขึ้นวางเหนือพระเพลาแล้วส่งเอาอุทกกวารีมาสงพระพักให้เย็นชื่นเมื่อเจ้ามัตสีฟื้นคืนสมบรืดีรู้สึกกายละอายแก่บาปจึงค่อยถอยถดลดพระองค์ลงมาถวายบังคมแล้วก็ทูลถามถึงความเป็นไปของเจ้าชาลีกันหาพระดาบทราชสวามีก็แจ้งว่า ทรงบริจาคให้เป็นทานแก่ทะชีชูชกพรามชราเพื่อผลพระปรมาพิเศษสัมโพธิญาณในอนาคตการภายภาคหน้านางพระยามัตสีทรงทราบเหตุผลชนี้ก็ทรงมีพระไัยกเกษมสีพิรมกระทาอนุโมทนาชื่นชมซึ่งปิยปุตตะฐานบารมียิ่งนักหนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดของพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงบังเกิดมีในชาตินั้น โดยเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระกรุณาสงสารจนตลึงงนินม่อาจที่จะกําหนดว่าเป็นดาบทันปชิตรีบวิ่งเข้ามายกเสียงเกล้าของข้าพระบาทซึ่งเป็นสตรีวางไว้เหนือพระเพลาทําให้พรหมจารีของพระองค์เศร้าหมองไปชั่วขณะหนึ่งแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไพรโลกานาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพ์พาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่า ปาติหารพระราหุลสมเด็จพระพิมพาภิกษุณีรำลึกอดีตชาติห้นหลังเฉพาะชาติที่ตนเคยพลังพลาดอาจมีโทษผิดต่อองค์สมเด็จพระพิชิตมานด้วยอำนาจแห่งบุคเพนิวาสานุสติญาณแล้วนำเอามากลาบทูลพระกรุณาเพื่อให้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอดโทษเป็นขมาปณกรรมเช่นนี้แล้วจึงผินพักมาเพ่งเล็งแลดูหน้าพระราหุลผู้ยอดปิโยรส แล้วเอ๋ยวัจจีอัาลาว่าพ่อราหุลเอ๋ยมารดานี้จะได้มีโอกาสเห็นหน้าของพ่อก็เป็นปัดจิมที่สุดในวันนี้โทษศานุโทษอันใดที่มารดานี้ได้เคยกระทำการโบยตีพ่อด้วยความขึ้งโกรธตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวในวัดตะสงสารมานานแล้วหลายภพหลายชาติขอพ่อจงอดโทษนั้นให้แก่มารดาซึ่งจะขออัมลาพ่อเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิด องค์อรหันท่านพระราหุลผู้ทรงยานครั้นได้สาวนาการวจีแห่งสมเด็จพระชนนีพิมพาเถรีเจ้าซึ่งจะเข้าสู่นิพพานดับขันไปก็ให้บังเกิดความสังเวชในพระไทยจึงน้อมกายถวายนมัสการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ซึ่งทรงเป็นพระชนกแล้วกราบทูลขอพระบรมมาพุทธานุญาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคพระเจ้าข่าบัดนี้สมเด็จพระมารดาของข้าพระบาท จากเสด็จลีลาดดับขันเข้าสู่พระอมตะมหาเนรุพานแล้วข้าพระบาทจึงขอประทานพระบรมพุทธานุญาตจะกระทําสักการะบูชาเป็นปฏิการสนองพระคุณแห่งสมเด็จพระชนนีเป็นครั้งสุดท้ายขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาประธานอนุญาตให้แก่ข้าพระบาทตามความประสงค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงประธานพระบรมพุทธานุญาตแล้วพระผู้เป็นเจ้าราหุลองค์อรหันก็มีจิตผ่องแผ้วกล่าวแก่พระมารดาว่าข้าแต่สมเด็จพระชนนีที่มีคุณเป็นอันมากแต่ปางก่อนเมื่อเราทั้งสองยังต้องท่องเที่ยวเวียนอยู่ในกระแสะสังสารวัตรได้เป็นแม่ลูกกันมาจะนับประมาณชาติก็นับไม่ท้วนเลยพระเดชพระคุณของมารดาที่มีอยู่แก่ลูกที่ชื่อว่าราหุล น, นี้มากมายนักหนา แต่ช่างด้วยแผ่นพสุธาและน้ำในมหาสมุทรเขาพระศิเนรุและแผ่นฟ้าอากาศธรรมชาติทั้งสี่สิ่งนี้เมื่อประมวลกันเข้ามาเอาเป็นคู่ช่างกับคุณของพระมารดาก็เห็นว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเป็นไหนไหนโอ้พระชนนีของลูกนี้เอ๋ยก็ไรเลยจะพัดพรากจากลูกเสียลับแล้วจริงหรือไฉ น, นพระคุณได้เคยอุ้มท้องประคองเลี้ยงรักษาตั้งแต่อยู่ในคันมา จนกระทั่งได้อุดซาอาบน้ำป้อนข้าวฟอกถนอมกล่อมเปลี่ยงเลี้ยงดูสู้อดตาหลับขับตานอนเมื่อยามลูกนี้ร่ำให้ชะอ่อนแล้วก็รับขวัญครั้นลูกพอรู้เจราจาตามภาษาธารกยังมิทันรู้จักบาปบุญคุณและโทษเมื่อพระชนนีอุ้มประคับประคองก็ขนองมือขนองเท้าไปตามภาษามิรู้จบบางทีก็ตบศรีรษะและตีปากแห่งพระมารดาบางทีก็ปริภาศนา ด่าว่าให้โดยวิสัยทารกน้อยไรเดียงสาพระมารดาก็ไม่ได้โกรธครึ่งเพราะถึงแล้วซึ่งการุญญาจิตหากว่าโทษผิดอันนี้จะพึงบังเกิดมีแก่ลูกยาผู้ชื่อว่าลาหุนนี้แล้วไซขอพระมารดาผู้มีคุณใหญ่ไม่มีอะไรเปรียบปรานจงได้มีพระทัยกรุณาโปรดปรานประทานให้ซึ่งอภัยโทษอันหนึ่งโสดพระมารดากับราหุนนี้ตั้งแต่เป็นพระชนนีและเป็นบุตรกันมา พระมารดาก็ยังไม่ได้ทอดทัศนาเห็นฤทธเดชปฏิหารแห่งลูกยาถนัดในยนาแม้แต่สักครั้งหนึ่งคราวเดียวเลยวันนี้ลูกยาผู้ชื่อวาราหุลจะขอสนองคุณพระมารดาด้วยอิทธิปฏิหารเป็นอัศจรรย์ดังนั้นขอเชิญพระมารดาจงกรุณาทอดพระเนตรและชมฤทธเดชแห่งราหุลลูกยาในการระบัดนี้เถิดพระเจา้าค่ะ พระภิกษุเจ้าฟ้าชายราหุลองค์อรหรันผู้ทรงฌานแกล้วกล้ารุ่งเรืองด้วยอภิญญาสมาบัติกล่าวเชนี้แล้วก็พินพักมาถวายนมั ส, สการองค์สมเด็จพระปฏิพแก้วสมเด็จพระชนกธรรมราชาธิบดีแล้วก็เหาะขึ้นไปบนนภาอากาศกระทําปฏิหารถ้มกลางสงสองฝ่ายคือพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เป็นประธานให้ได้ทอดทัศนาการเห็นเป็นอัศจรรย์ โดยอธิษฐานองค์จำแลงแปลงกายเป็นเท้ามหาพรมที่มีรูปกายใหญ่ล้ำมหฮมาทรงรัศมีรุ่งเรืองประพัดสอนเรื่องพันณรายสุดพรนน า, นาพระหัตต์เบื้องซ้ายนั้นจับเอาดวงพระสุริยาพระหัตต์เบื้องวขวาคว้าเอาดวงนิสากรเอารูปพญาเขาอันบวรนามว่าสิเนรุราชมาทําเป็นคันฉัดเอารูปฉะกามาพระจระสวรรค์มาทําเป็นช่อชั้นเบื้องบนคันฉัด เด็ดเอาดวงนักขัดเลิกทั้งหลายมากระทำเป็นข้าวตอกโปรยปลายแล้วน้อมเอาสมบัติในสัตตพุริพันธ์กิรีทั้งเจแต่ล้วนแล้วไปด้วยแก้วและทองมาประกับเข้าเป็นสายสร้อยสังวานประดับวรากายแล้วเหยียดยื่นเท้าลงไปหนีบขีบเอามัดฉาทั้งเจในท้องมหาสมุทรแต่ละตัวใหญ่ยาวได้หลายร้อยโยอดสาแดงฤทธิ์ให้ปรากฏเห็นเป็นอัศจรรย์เชน่นนี้แล้วก็ร้องทูลพระชนนีพิมพามาแต่เบื้องบนหน้าผากาดว่า ข้าแต่พระชนนีของลูกยาขอเชิญพระมารดาจงชมปาฏิหาริย์ให้ถนัดในยนาข้าแต่พระมารดาบังเกิดเกล้าขอเชิญพระแม่เจ้าจงชมเชยฤทธาศักดาเดชคุณวิเศษอันลูกยาผู้ชื่อว่าราหุลกระทำเพื่อแสดงคุณพระมารดาในการระบาดนี้เถิดพระเจ้าค่าพระภิกษุณีพิมพ์าเถรีซึ่งจะถึงแก่ชีพิตักใสล่วงลับดับขันเข้าสู่นิพพานไป ครั้นได้ทอดทัศนาการเห็นปฏิหารเป็นมหัศจรรย์ดังนั้นพระนางก็ประนมหัตถ์ทั้งสองขึ้นสองสาธุการชมเชยพระฤทธพระเดชของพระลูกยาอยู่ไม่ขาดปากพอควรแก่การแล้วก็เชิญให้เสด็จลงมาจากนภากาศรูปเนรมิตปฏิหารนั้นก็อันตรธานหายกลายเป็นพระภิกษุหนุม่มราหุลองค์อราหาันดังเก่าแล้วพระนางเจ้าก็กล่าวสรรเสริญคุณพระราหุลปิโยรส ให้ปรากฏแกมูภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์อีกเป็นอันมากในที่สุดพระนางก็รำลึกถึงอดีตชาติหนนหลังครั้งเจ้าราหุลอรหันต์อุบัติเกิดเป็นสวรรคติกุมารด้วยอำนาจแห่งบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วนำเอามาพันานาในถ้ำกลางบริษัททั้งสองฝ่ายซึ่งมีสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจ้าเป็นประธานเพื่อสรรเสริญคุณของพระราหุลอรหันต์ซ้าอีกว่าดังนี้ สุวรรณนาทีกูมารดูก่อนพ่อเอ๋ยพ่อราหุลพ่อนี้จะได้มีน้ำจิตคิดสนองคุณแก่มารดาแต่เพียงในการระบาดนี้ก็หาไม่ได้ตั้งแต่เป็นแม่ลูกกันมาในวัตฏะสงสารมารดานี้ได้เห็นน้ำใจพ่อที่มีความห่วงใ ย, ยรักใคร่ในมารดามามากกว่ามากนักจักยกมากล่าวแต่เพียงกล่าวครั้งเดียวเพราะเวลาของมารดาที่เหลืออยู่นี้มีน้อยนักหนา ก็นในการปางก่อนอันเป็นอดีตชาติหนหลังครั้งศ า, ศาสนาสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าพระพมมชาละสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมารดานี้บังเกิดเป็นราชกุมารีภายหลังได้เป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าพมทัต ร, ราชาธิบดีพระองค์ทรงเป็นใหญ่ครองราชาสมบัติในพระนครพารณาสีในขณะที่มารดาทรงคันวันหนึ่งเกิดวิบัตอิอาเภษ เหตว่าหาฝนใหญ่ได้ตกถึงเจ็ดที่ว่าเจ็ดราตรีน้ำท่วมเมืองพราณาสีสุดที่มนุษย์จักอาศัยอยู่ได้ก็พากันพินาศดมน้ำตายเป็นอันมากกว่ามากครั้งวิกิตรการนั้นมารดานี้ได้เกาะขอนไม้ลอยไปตามกระแสน้ำพอขึ้นบกได้ที่เกาะใหญ่อันมีอยู่ที่กลางมหาสมุตก็ประสูตรพระโอรสนามโสภามารดาจึงตั้งนามตามเหตุ โดยให้ชื่อว่าเจ้าสุวรรณทีพกูมารคอยอภิบาลรักษาเลี้ยงบำรุงเจ้าไปตามภาษายากอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกที่เกาะกลางมหาสมุทรนั้นจนเจ้าสุวรรณทีพกูมารมีชนมะพันษาได้แปดขวบการลวันหนึ่งมารดานี้เข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาพลาผลมาเลี้ยงดูกันได้ปประจันหน้ากับยักษ์าตนหนึ่งซึ่งมีนามว่าอรหกกาศูนผู้ดุร้าย มันก็จับเอามารดาไปยังที่อยู่อาศัยเพื่อประสงค์จะกินเป็นพักษาหารเมื่อได้เวลาสายยันตะวันรอนเจ้าสุวรรณาทบกูมารบวรดานายัยไม่เห็นพระมารดากลับมาเหมือนทุกวันก็ถลันแล่นเข้าไปสู่ป่าเฝ้าตะโกนกูกล้องร้องเรียกหาไปตามวิสัยทารกที่เกิดมาเห็นแต่เพียงมารดาจนล่วงเข้ายามราตรีดึกดื่นค่นคืนอย่างไรเจ้าก็ไม่ละความพยายาม ก้ติดตามกู่ร้องเรียกเรียกหามารดาไปจนพระอาทิตย์อุทัยไขยแสงทองสองอารามฟ้าจึงได้มาถึงแดนยักษ์สาที่จับมารดาไว้มารดาจําเสียงได้ก็ให้ตระหนกตกใจนักหนาจึงร้องห้ามด้วยความรักและห่วงใยสุดใจว่าดูก่อนพ่อสวุวรรณทิพย์เอ๋ยพ่ออย่าล่วงเลยเข้ามาที่นี่ด้วยว่าที่นี่เป็นแดนยักษ์สามันจับเอามารดาไว้แล้วขอลูกแก้ว จงรีบหนีเอาตัวรอดเถิดกลับไปขอลูกจงรีบกลับไปเถิดอย่าชักช้าจงฟังมารดาว่าแล้วรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เจ้าสุวรรณทีบยกุมารอายุ8ปดพันษาเมื่อได้ฟังมารดาร้องห้ามดังนั้นจะได้มีความพรั่นพรึงแก่ความตายก็หามิได้กลับวิ่งเข้าไปจนถึงสำนักของเจ้าอารวกยักษ์ผู้ดุร้ายแล้วกล่าวคาวิงวอนขึ้นว่าดูก่อนยักษ์าเอย๋ย มารดาแห่งเราที่ท่านจับเอามาขังไว้นี้ท่านมีอายุมากทั้งเนื้อหนังบางสาก็เหี่ยวแห้งไม่มีมันแล้วการที่ว่าท่านจะบริโภคมารดาของเรานี่ไซ ย, ยอมหาความอรเด็ดอร่อยอันใดไม่ได้ตัวเรานี่สิยังหนุ่มแน่นจะขอตายแทนมารดาทั้งเนื้อหนังบางสาของเราก็เต่งตึงแน่นแหวนและมากไปด้วยมันควรแก่การที่จะบริโภคให้เป็นที่สาราญยิ่งนัก หากท่านจักรักษาสัตว์แล้วไซเราจักให้บริโภค ต, ตัวเราแทนแล้วต้องปล่อยมารดาของเราให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปเถิดอาระวกกาสูนผู้มีเนื้อเป็นพักสาหานได้ทวราการดังนั้นก็เห็นชอบด้วยเหตุผลที่เจ้าสุวรรณทีพกุมารว่าจึงปล่อยนางกษัตริ์ที่เป็นมารดานั้นและจับอตัวสุวรณทีพกุมารแสดงอาการจะหักคอบริโภคเป็นพักสาหานกุมารผู้มีกระตันยู จึงร้องประกาศแก่หมูเท พ, พยาดาและอธิษฐานว่าครั้งนี้ข้าพระเจ้าขอสละชีพแทนพระมารดาหากว่าข้าพระเจ้าเกิดในภายภาคหน้าขอให้พระมารดาและข้าทั้งสองเราได้เป็นแม่ลูกพบกันทุกๆชาติตราบเท่าจนถึงชาติที่ได้สาเร็จพระนิพพานอธิษฐานได้เพียงเท่านี้จอมอสุรีอาระวกกะยักษ์ก็หักคอส่วนอาทีพกูมารบริภกเป็นพักสาหาร เสียต่อหน้าพระชนนีพ่อเอ๋ยพ่อราหุลของชนนีมารดาของพ่อชื่อว่าพิมพ์พานี้จะได้เห็นน้ำใจดีของพ่อที่มีกระตันดูรู้คุณแต่เพียงในชาตินี้ก็หาไม่ได้แม้ในชาติก่อนถึงจะเป็นเพียงกุมารไร้เดียงสาพ่อก็ยังมีน้ำใจกรตันดูสนองคุณมารดาจะได้เป็นผู้ชั่วช้าแต่อย่างใดก็หาไม่ได้เลยพ่อเอ๋ยพ่อราหุลของชนนี ขอพ่อจงค่อยอยู่ดีเป็นผาสุขเถิดมารดานี้จะไม่ได้เกิดเป็นแม่ลูกกับพ่อแล้วจะขอลาลูกแก้วเข้าสู่นิพพานในวันนี้ขอพ่อจงมองหน้าชนานีไว้ให้เต็มนายนาขณะที่สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีและพระอาหารหันต์ราหุลบวรดานัยต่างก็ร่ำลาขอขมาและอภัยโทษกันอยู่นี้ธรรมสังเวชได้บังเกิดมีในมหาสมาคมสุดประมาณ การักครั้งนั้นสมเด็จพระสันเพชรบรมศาสดาจารย์ซึ่งทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายพระองค์ทรงได้โอกาสที่จะให้พระพิมพาภิกษุณีอดโทษบ้างจึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสขึ้นในถ้ำกลางพุทธบริษัทว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัดตะสงสารทั้งหลายตั้งแต่เราตถาคตสร้างพระพุทธบารมี เพื่อพระปรมาพิเศษสัมโพธิญาณเกิดร่วมกันมากับเจ้าพิมพาภิกษุณีในวัตะสงสารมานานเป็นอเนกอนันต์นับชาติไม่ได้นั้นก็ย่อมมีการกั้มเกินประมาทพลาดพลั้งแก่กันและกันบ้างเป็นธรรมดาด้วยว่าเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาช้านานการระบาดนี้ถึงคราวที่เจ้าจะดับขันเข้าสู่ปริณิพพานเสียแล้วและคุณของเจ้าก็มีอยู่แก่เราตถาคตเป็นอันมาก ดังนั้นเราตถาคตจะยังเจ้าพิมพาให้อดโทษที่เคยมีมาในการระบตดนี้เสียก่อนจึงจะควรสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าครั้นตัดแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายในมหาสันนิบาศชนนี้แล้วก็ทรงผินพระพักมาตรัสกับสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีโดยพระพุทธดีกาขมาปะนะกาถาให้พระนางทรงอดโทษแต่อดีตโดยประการทั้งปวงแล้วและเพื่อที่จะแสดง คุณแห่งพระนางให้ปรากฏสมเด็จพระตถาคตเจ้าผู้มีพระยานอันไม่ค่องขัดจึงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาตัดขึ้นในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้งหลายดังต่อไปนี้พัทธิยะเศรษฐีอดีตชาติด่วงแล้วหนหลังครั้งศาสนาแห่งสมเด็จพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราตถาคตได้เกิดเป็นเศรษฐีมีนามว่าพัทธิยะเศรษฐี มีอาชีพเป็นนายพาณิชย์พ่อค้าสำเพาส่วนเจ้าพิมพานี้เกิดเป็นกุมารีงามโสภานามว่าปฏิคารุกาภายหลังต่อมาได้เป็นบาทบริจาริกาแห่งพัิยะเศรษฐีนั้นการละวันหนึ่งพัิยาเศรษฐีมีกิจจะต้องเดินทางโดยสำเพาไปค้าขายยังเมืองสุวรรณภูมิเป็นเวลาช้านานจะประมาณวันเดือนปีมิได้ดังนั้นก่อนที่จะออกเดินทาง จึงสั่งนางปฏิคารกาไว้ว่าเจ้าอยู่ข้างหลังจงตั้งใจอย่าได้ประมาทเร่งระวังรักษาตัวเจ้าและทรัพย์สมบัติไว้ให้ดีครั้นสามีออกเดินทางไปแล้วนางปฏิคารกาก็กระทำตามคำสั่งสามีทุกสิ่งทุกประการสมัยนั้นสมเด็จพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จพุทธดำเนินโปรดสัตว์มาจนถึงเมืองพารณาสีอันเป็นเมืองของพัทยาเษฐี นางปฏิครุกาภริยาแห่งพัตยาเศษฐีเจ้ามีศรัทธาทูลอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสงฆ์องค์บริวารให้เข้าไปรับอาหารบินทบาทที่คฤหาสน์ของนางครั้นเสร็จพัตกิจแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็ทรงประธานพระธรรมเทศนาพัฒตานุโมทนาแสดงพลานิสง์แห่งบิทบาททานนางปฏิคากาได้สดับพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว ก็มีจิตผ่องแผ้วกรอบด้วยศรัท ธ, ธากล้าหาญประสานนาการเรื่มใสจึงกราบทูลอาราธนาพระองค์ไว้บีให้เสด็จไปสู่นครอื่นแล้วได้บริจาคทรัพย์สมบัติมากมายออกจำหน่ายจ่ายสร้างพระวิหารวันฉลองวิหารก็ได้ถวายไตรจีวรเย็บย้อมเป็นอันดีในขณะที่สมเด็จพระพุทธองค์กับทั้งพระสงฆ์สาวกบริวารเสด็จมารับมหาทานในพิธีการฉลองมหาวิหารนั้น นางก็หลังทักสีโนโทกให้ตกลงเหนือฝ่าพระหัตแห่งสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าแล้วจึงตั้งปณิธานความปรารถนาว่าข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนพรลานิสงนี้ส่งไปให้สามีของข้าพระเจ้าผู้ชื่อพัทยะเศษฐีเดชะผลทานนี้ขอให้สามีของข้าพระเจ้าประกอบไปด้วยสิริสวัสดีนิราชปราศจากภัยอันตรายในมหาสมุทรสมเด็จพระพุทธองค์เจ้า จึงทรงอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงสำเร็จดังมโนรสเถิดแล้วก็ประทับอยู่ในวิหารนั้นตามคำอาราธนาของนางข้างทางพัิยะเศรษฐีหลังจากที่ฟันฝ่าอุปสรรคอันตรายในถ้ำกลางมหาสมุทรใหญ่เดินทางไปค้าขายยังสุวรรณภูมินครครบกาหนดนานถึงสามปีแล้วจึงได้กลับมาถึงคฤหาสน์แห่งตนที่เมืองพระนาีโดยปลอดภัยแต่พอมาถึง และนั่งลงแล้วนางปฏิครุกาภริยาก็แจ้งความตามที่นางได้บำเพ็ญกองการกุศลต่างๆแล้วพาสามีไปสู่อารามที่ตนสร้างไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเพื่อให้สามีได้ชื่นชมโสมนัสในมหากุศลจวนกันเข้าไปถวายอภิวาทแทบพระบาทยุคนแห่งองค์สมเด็จพระทศพล์ลปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังประทับอยู่ที่อารามนั้น ครั้นพัทยาเสถีเพ่งพิษพินิษดูสมเด็จพระสัพพันดูเจ้าก็ยิ่งมังเกิดศรัทธาออกวาจาสรรเสริญสะดุดีว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นผู้ทรงพระเดชพระคุณอันล้ำเลิศประเสริฐกว่าสัพพะสัตในไตรภพทรพงรบชนะซึ่งปัญจวิทธมานได้อย่างจริงแท้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยสะดุดีชนี้แล้วก็มีสกลากายและดวงหารุไทยเต็มตื้นไปด้วยกำลังปิติโสมนัสยิ่ง แล้วจึงมีสุนทรวาจากล่าวกับภริยาว่าดูก่อนเจ้าผู้มีพักอันเจริญเจ้านี้เป็นคนดีนักหนามีจิตศรัทธากอบด้วยปัญญาสร้างมหากุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเห็นปานชนี้คราวนี้นับว่าเป็นบุญาลาบของเราทั้งสองแล้วด้วยว่าเราจะได้สำเร็จพระโพธิญาณก็เพราะการกุศล น, นี้ภริยาเศรษฐีผู้มีศรัทธา โรงปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงดังนี้แล้วก็มีจิตผ่องแผ้วน้อมกายถวายนมัสการสมเด็จพระปฐุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วจึงออกอดตั้งความปรารถนาเอาพระพุทธภูมิโพธิทยานเฉพาะพระพักสมเด็จพระปฐมุตระบรมศาสดาจารย์ด้วยประการชนีสมเด็จพระชินาศีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาตัดเล่า ณท้ำกลางมหาสังฆสันนิบาตจบลงแล้วจึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสแก่พระพิมพาภิกษุณีอีกว่าดูก่อนเจ้าพิมพาอันตัวเจ้านี้มีคุณแก่เราตถาคตมาแต่การก่อนเราตถาคตจากได้สำเร็จแก่พระบวรสัมโพธิยานก็เพราะอาศัยเจ้าเป็นส่วนสำคัญตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัตะสงสารเราทั้งสองนี้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา เราเคยกระทำบุญให้ทานการกุศลร่วมกันมาตั้งแต่นี้ต่อไปเบื้องหน้าเราทั้งสองนี้จะขาดจากวิสาสะกันแล้วการที่ว่าจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกต่อไปก็หามิได้ด้วยว่าเจ้าจะดับขันเข้าสู่อมะตะมหานฤฬฐานไปนับวันแต่จะไกลกันแล้วจะได้มีโอกาสช่วยเราตถาคตเพิ่มบารมีอีกก็หามิได้โทษผิดอันใดที่เจ้าเคยมีต่อเราตถาคตแต่ปางก่อน วันนี้เป็นวันที่เราตถาคตอดโทษให้แก่เจ้าจนหมดสิน้นอันหนึ่งโทษาหนุโทษอันใดที่เราตถาคตได้เคยประมาทล่วงเกินเจ้าด้วยความพลาดพลั้งทั้งรับหลังและต่อหน้าตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารขอเจ้าจงอดโทษานุโทษนั้นให้แก่เราตถาคตเสียให้สิน้นแล้วจงดับขันเข้าสู่ปรินิพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขไปก่อนเถิดนะ เจ้าพิมพาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธดีกาตรัสชะนี้แล้วก็ทรงนิ่งเฉยไม่ได้ตรัสประการใดอีกด้วยทรงบังเกิดธรรมสังเวชในขณะนั้นสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีจึงมีวาจาทูลลาเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระสวัสดิภากเป็นอันงามพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแห่งปวงประชาสัต์ในไตรโล ก, กนาฏพระเจ้าข้าในอนเนก บุรพาชาติแต่ก่อนมาข้าพระบาทพิมพานี้ได้เคยร่วมสร้างบารมีกับด้วยพระองค์เป็นอันมากกว่ามากตั้งแต่นี้ไปพิมพ่าข้าพระบาทนี้ก็จะไม่ได้ร่วมบารมีกับด้วยพระองค์อีกแล้วอันหนึ่งแต่บุรพาชาติล่วงแล้วมาเมื่อ ย, ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารพิมพ่าข้าพระบาทนี้จะได้ขาดวิสาสะคุ้นเคยกับพระองค์ก็หาไม่ได้ ด้วยเป็นที่สมอัดในยาศัยพอใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพิมพาได้ทุ ก, ก, ทกข์พระองค์ก็ปล่อยทุกข์ด้วยพิมพาได้สุขพระองค์ก็ปล่อยสุขด้วยเหมือนกันดังเช่นในการที่เกิดเป็นกินนอนสมัยสมเด็จพระชินวรโลกนาาอภินันทสัมมาสัมพุทธบพิตรจริงอยู่สมัยที่สมเด็จพระอภินันทสัมมาสัมพุทธบพิตรผู้ประเสริฐทรงอุบัติเกิดในโลกนั้นพระองค์ทรงสเสวยพระชาติเป็นพระยากินนอน แม้พิมพาค่าพระบาทนี้ก็ได้เกิดเป็นนางกินารีเทวีและได้สมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันด้วยสเสน่หาพระยากินนอนและนางกินารีเทวีทั้งสองนั้นพากันไปเที่ยวเล่นเป็นที่เริงสรานใจที่จอมเขาประดับด้วยไม้นานาพัน์บ้างพากันไปเที่ยวเล่นที่ป่าใหญ่ประดับด้วยบุกผาสุมาไลหลากสีเป็นที่น่ารื่นรมแห่งใจบ้างพากันเที่ยวที่ริมฝั่งน้า มีหาดทรายขาวสะอาดน่าทัศนาบ้างทั้งสองสามีภรรยาพากันเที่ยวเล่นเป็นที่สําราญสนุกทุกวันอยู่มาวันหนึ่งพ่ยากินนอนและนางกินรีเทวีสองสามีภรรยาพากันไปเที่ยวเล่นที่ริมฝั่งน้ําเที่ยวเก็บเอาดอกไม้บุกพชาติหลากสีมีกลิ่นหอมมาปูลาดเหนือหาดทรายให้มากแล้วก็ชวนกันนอนเล่นเหนือดอกไม้นั้นเป็นที่สุขสําราญรื่นรมแห่งใจ เมื่อบังเกิดความสุขสบายจึงพากันหลับไหลอยู่ในสถานที่นั้นนานเท่านานจนน้ำในมหาสมุทรไหลท่วมขึ้นมาเป็นอันมากด้วยว่าเป็นเวลาน้ำขึ้นท่วมขึ้นมาจนถึงที่ซึ่งกินนอนทั้งสองนอนอยู่เมื่อรู้สึกตัวได้สมปรือดีสองกินนอนก็ให้มีความตกอ ก, อกตกใจกลัวแต่อุทกกภัยจึงพากันว่ายน้าหนีไปแต่ละทิศละทางเมื่อต่างก็หนีน้าไป จนขึ้นเขาได้แล้วจึงเที่ยวตามหากันแต่ไม่ได้พบไม่ได้เห็นกันจึงต่างก็ร้องไห้ปรารพถึงกันอาลัยรักรำพันถึงกันเป็นทุกข์เป็นร้อนถึงกันและกันนักหนาเที่ยวตามหากันอยู่ตลอดราตรีพอสุรีไขแสงทองสองโลกรุ่งเช้าครั้นมาพบกันเข้าแล้วต่างก็โผลเข้ากอดกันและกันร้องไห้รำพันไปต่างๆนานาด้วยความเสน่หาอาลัยในการและกันยิ่งนักหนา าว่าจะจากกันเพียงราตรีหนึ่งไม่ถึงที่วาก็มีครุวนาหลุดว่าจะจากกันได้ถึงเจ็ดปีก็ปานกันนะพระเจ้าข่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแต่ปางก่อนที่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสารพระองค์กับพิมพาข้าพระบาทจะได้ขาดวิสาสะคุ้นเคยกันก็หาไม่ได้ด้วยเป็นที่สบอัธยาศัยพอใจ และมีความสเสน่หาอาัลารักใคร่กันมานานช้าตั้งแต่นี้ไปจะสิ้นวิสาสะกันความสัมพันธ์อันเคยมีแต่ปางก่อนก็จะขาดสะบั้นลงเสียแล้วด้วยว่าข้าพระบาทที่ชื่อว่าพิมพานี้จะขอกราบถวายนามัสการลาฝ่าพระบาททุกคนทั้งคู่ของสมเด็จพระสัพพันดูเจ้าดับขันเข้าสู่เมืองแก้วกล่าวคือพระอรมตะมหานฤพาน ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระสัพพัญยุตยานการนี้ก็เป็นการอันควรที่จะไปสถานที่ดับขันเข้าสู่อมตะมหานฤฬพานแล้วพิมพาข้าพระบาทขอฝากพระลูกแก้วราหุนด้วยขอพระองค์จงทรงช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพิมพาข้าพระบาทนี้ขอกราบทูลลาพระองค์แล้วเมื่อสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายชนีสมเด็จพระจิน์สีเจ้า จึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสถามว่าดูก่อนเจ้าพิมพาเอ๋ยเจ้าจะไปดับขันนิพพานณสถานที่ใดเล่าพิมพาข้าพระบาทนี้จะไปดับขันเข้าสู่นิพพานที่อารามพระภิกษุณีซึ่งมีอยู่ข้างทิศอุดรแห่งนครสาวัตถีพระเจ้าค่าสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีกราบทูลดังนี้แล้วก็เฝ้าถวายบังคมที่แทบพระยุคลบาท แห่งองสมเด็จพระปทีบแก้วอยู่หลายครั้งหลายหนักหนาแล้วก็ค่อยถดถอยออกมาพาพระภิกษุณีสงฆ์ที่เป็นบริวารออกจากที่เฝ้าแต่การนั้นซึ่งเป็นเวลาปัจจุสมัยใกล้จะรุ่งสางสว่างแล้วพระพิมพ์พาดับขันนิพพานสมเด็จพระเจ้าเปศสินที่โกศลมหาราชได้ทรงสวนาการว่าพระนางพิมพ์พาภิกษุณีจากดับขันเข้าสู่นิพพาน ก็เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังมาเฝ้าคอยอยู่ที่บริเวณพระมหาวิหารเป็นเวลานานครั้นทอดพระเนตรเห็นพระนางออกมาจากที่เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุณีสง์บริวารจึงทรงกลับเข้าไปถวายนมัสการแล้วอาราธนาว่าข้าแต่สมเด็จพระแม่เจ้าประศัดยอดของโยมนี้สร้างไว้ที่ริมพระเชตวันมหาวิหารอันมีชื่อว่ากูตาคาร ที่นั่นเป็นสถานที่สบายนักขออารัธนาสมเด็จพระแม่เจ้าจงไปเข้าสู่นิพพานณที่นั้นเถิดดูก่อนมหาบอพิษพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐกูตาคาร น, นั้นมิใช่สถานที่อันควรแก่การที่ภิกษุณีสงจกเข้าสู่พระปรินิพพานด้วยว่ากูตาคาร น, นั้นเป็นพุทธสถานอันสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เคยประทับไม่ควรแก่อัตมาภาพซึ่งเป็นสตรี ขอถวายพระพรสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีทูลตอบพระบรมมกษัตร์ประสทิทธิโกศลมหาราชว่าดังนี้ลำดับนั้นบรรดามหาเศรษฐีและขรหาบอดีทั้งหลายซึ่งมีความครบเลื่อมใสในพระนางทั้งล้วนอุปถากใหญ่ในพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าท่านอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีท่านจุลณาธาบินทิกะมหาเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกานางสุปวาสามหาอุบาสิกาแม้ว่าแพทย์หลวงหมอชีวกโกมารพัฒ์ซึ่งมีศรัทธาราถนาจะให้สมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าไปเข้าสู่นิพพานในอารามที่ตนสร้างไว้จึงต่างคนต่างก็เข้าไปถวายนมัสการที่พระบาทแล้วทูลอาราธนาแต่ก็ถูกสมเด็จพระนางปฏิเสธเสียสิน้นโดยอ้างว่าเป็นพุทธสถาน ไม่ควรแก่การที่พระภิกษุณีจะเข้าไปใช้ร่วมแม้จะเป็นการดับขันเข้าสู่นิพพานก็ตามทีแล้วพระนางก็ค่อยจอรลีโดยบ่ายพระพักไปยังอารามของนางภิกษุณีซึ่งเป็นสถานที่อันตั้งอรือไทยว่าจากดับขันเข้าสู่นิพพานที่นั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัพพันดูเจ้าจึงทรงมีพระมหากรุณาดารัสสั่งพระเจ้าเสรตที่โกศลมหาราชในขณะนั้นว่า ดูก่อนมหาบาพิษพระราชาสมภารขอพระองค์พร้อมกับอํามาตยราชบริพานจงรีบเสด็จไปก่อนเจ้าพิมพาจงไปจัดการตกแต่งประดับประดาณสถานที่ซึ่งเจ้าพิมพาจะดับขันเข้าสู่นิพพานที่อารามของนางภิกษุณีให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเจ้าพิมพาไปถึงจึงจะควร น, นะมหาบาพิษแล้วเราท ถ, ถาคตจะติดตามไปในภายหลังได้ทรงสดับพระพุทธดำรัสสั่งดังนั้น สมเด็จพระบรมมกษัตริย์ประเสนที่โกศลมหาราชก็ส่งน้อมพระองค์ลงถวายนมัสการที่พระยุคลาบาทของสมเด็จพระชินวรแล้วก็รีบเสด็จพาอำ ม, มาตย์ราชบริพานด่วนจรไปยังอารามนางภิกษุณีโดยมีบรรดามหาเศรษฐีกครหาพอดีและพระมหาศาลตามเสด็จไปด้วยครั้นถึงแล้วต่างคนต่างก็เร่งรัดจัดการตกแต่งเครื่องสาการะบูชาเป็นต้นว่า ประทีปทูบเทียนธงฉัตรและดอกไม้ให้เป็นสถานที่อันวิจิตรอลังการควรแก่เป็นสถานดับขันปรินิพานสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีซึ่งมีบุญใหญ่แล้วสมเด็จพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลผู้มีความคเคารพเลื่อมใสในพระนางเจ้าเป็นอันมากจึงมีพระบรมราชโองการตรัสสั่งให้ปูลาดด้วยสุดย น, นียี่ผู้พระเขเนยทองเบื้องบนให้ดาดเพดานห้อยย้อยไปด้วยบุปผาชาติ อันมีกลิ่นหอมสุมาลัยแล้วให้วงด้วยพระวิสูต์สุวรรณรัตนะตามด้วยอัจจะกรับพระทีบแก้วแล้วรายราชวัตรฉัดทงประดับด้วยเครื่องสูงสำหรับขัตติยะมหาศาลแล้วให้ตั้งพานพนมแก้วพนมทองและพนมบุปผาชาติต่างๆมีทั้งทูปเทียนทวาราไว้คอยท่ารับเสด็จจนเสร็จเรียบร้อยเป็นอันดีก็เป็นเวลาที่สมเด็จพระนางพิมพาเถรี ซึ่งมีพระภิกษุณีสงฆ์พนหนึ่งแวดล้อมเดินทางมาถึงพอดีสมเด็จพระเจ้าเปรสินที่โกศลบรมกษัตริย์จึงสั่งให้มหาอุบาสกสองคนคืออนาถบินทิกะมหาเศรษฐีและจุลลอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีกับมหาอุบาสิกาสองคนคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาและนางสุปปวารสามหาอุบาสิกาให้ออกไปเชิญเสด็จ สมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าเข้าไปภายในรัศเดจเข้าไปถึงแล้วสมเด็จพระเจ้าพระเศสนที่โกศลก็อาราธนาให้เสด็จขึ้นไปสู่ที่บรรทมสมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าได้สวนาการคำอาราธนาของพระราชาธิบดีแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่พระแท่นที่บรรทมเอ็นพระองค์ลงสยญาติเหนืออาถนะอันวิจิตรอลังการนั้น มหาสัจจ์ก็โดนบรรดาบังเกิดมีเป็นประการต่างๆไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกฝูงเทพเจ้าในชะกา ม, มาพระารสวรรค์ลและบรรดาโสรสะมหาพรหมทั้ง16ชั้นครั้นทราบความว่าสมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าจะดับขันเข้าสู่นิพพานในกาลวันนั้นต่างองค์ต่างก็จัดแจงซึ่งเครื่องสการะบูชารีบออกจากเทพยวิมานเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า ลงมาสู่อารามภิกษุณีเมืองสาวัตถีมหานครใช่แต่เทวดาอินพรหมเท่านั้นก็หาไม่ได้แม้แต่เราที่พยากายผู้วิเศษทั้งหลายคือยักษ์นาคสุบันและคนทันหรือศีสิทธิวิทยาธรทั้งหลายบรรดาที่มีใจเลื่อมใสในพระปวรพุทธศาสนาเมื่อได้ทราบความต่างก็พากันมาจนเต็มไปทั้งห้องนพาดลขณะนั้นสมเด็จพระนางพิมพาเถรี จึงทูลถามพระราชาธิปีประเสนที่โกศลขึ้นว่าดูก่อนมหาบาพิษพระราชสมภารขณะนี้เป็นเวลาประมาณสักเท่าใดข้าแต่สมเด็จพระแม่เจ้าขณะนี้เป็นเวลาสายัณพระอาทิตย์จวนจะอัดสดงคตแล้วเจ้าข่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระราชสมภารบัดนี้สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระองค์ผู้ทรงมีพระกรุณาสเสด็จมาถึงหรือยังเล่า ข้าแต่สมเด็จพระแม่เจ้าสมเด็จพระมหากรุณาสัพพันยูเจ้ายังหาเสด็จมาถึงไม่แม้สมเด็จพระราหุลบวรณดานยก็ยังไม่เสด็จมาเจ้าค่ะดูก่อนมหาบพิษพระราชสมภารถ้าเช่นนั้นพิมพ์พานี้จะดับขันเข้าสู่ปรินิพานต่อเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งสมเด็จพระนางพิมพาเทรีพิษุณีเจ้าตรัตชนีแล้วก็ฝืนพระไทยพยุงกายลุกขึ้นแล้ว ก็แสดงพระธรรมเทศนาให้โอวาดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปจนสิ้นปฐมมยามเสร็จแล้วจึงให้เรียกภิกษุณีสงฆ์มาประชุมกันประธานโอวาดโดยนัยยะอันวิจิตพิสดารด้วนสิ้นมัชฌิมยามครั้นล่วงเข้าปฐมมัยามจนถึงปัจจุสมัยสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถบรมศาสดากับพระราหุลอรหันต์ก็พาพระภิกษุสงฆ์บริวารเสด็จมาถึงพอดี พระนางพิมพาเทรีถวายนมัสการสมเด็จพระชินสีห์เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อธิษฐานเข้าฌานสมาบัติเป็นลำดับไปตั้งต้นแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญาญาณฌานเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาพอถึงเวลาปัจจุดสมัยใกล้อรุณรุ่งจึงอธิษฐานเข้าจตุตถาฌานและออกแล้วสมเด็จพระนางแก้วพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้า ก็ดับขันเข้าสู่อมตะมหานรุพานสมัยนั้นมนุษย์และเทวดาแต่บรรดาที่ยังเป็นปุถุชนตัดความรักอาลัยไม่ขาดไปจากขันทสันดานเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้าดับขันเข้าสู่อมตะมหานรุพานแล้วต่างก็พากันโศกาดูนร่ำให้เสียงเซ็งแท่ควรจะสงสารส่วนท่านที่เป็นอรหันต์อริยะบุคคล มีองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็บังเกิดธรรมสังเวทในหารุไทยทุกท่วนหน้าคราทีนั้นสมเด็จพระอมรินทราที่ราชเจ้าจอมสวรรค์ชั้นไตรตรึงจึงทรงมีเทวโองค์การให้อัญเชิญพระศพมาชำระสะสมด้วยอุทกวารีแล้วสมเด็จพระเจ้าพระเศสน์ที่โกศลผู้เป็นใหญ่จึงถวายผ้าเนื้อละเอียดให้หุ้มห่อบรมศพแห่งพระเถรี เหล่าเทวดาและมนุษย์ที่มีศรัท ธ, ธาเลื่อมใสก็ปลดเปลื้องเครื่องประดับออกจากกายถวายให้เป็นเครื่องประดับพระศพกันมากมายนักหนามีคำที่พระโบราณอาจารย์พรานาไว้ว่าพระบรมศพของสมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าในวันนั้นทรงไว้ซึ่งความงามโสภายิ่งกว่าเทพพระอภิสรสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเสียอีกลำดับนั้นท่านเท้าสุดทาวาสมหาพรหมผู้วิเศษ ซึ่งด่วนจรมาแต่สุดทธาวาดพรหมโลกด้วยศรัท ธ, ธาเลื่อมใสก็อธิษฐานใจเนรมิตด้วยพรห ม, มริษให้เป็นหีบทองเข้ารองรับพระศพใส่ไว้เป็นอันดีฝ่ายสมเด็จเท้าโกสีอัมรินทราธิราชก็เนรมิตด้วยเท พ, พริษให้บังเกิดเป็นเมรุทองมียอดได้5 0 0ยอดมีสันฐานงดงามรุ่งเรืองเลื่อมพนารายกรอบไปด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรนอกจากพรหมและเทวดา จากเนรมิตด้วยฤทธิ์แห่งตนแล้วบรรดามนุษย์ทั้งหลายต่างก็พาการตกแต่งประดับประดาด้วยฉัตรธงเป็นอาธิแล้วก็อัญเชิญพระศพขึ้นสู่พระเมรุทองประโคมด้วยดุริยะดนตรีเสียงพิลึกกึกก้องโกลาหลสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธดีกาตัดแกอ่องอมรินทราธิราชซึ่งประทับยืยนอยู่ในขณะนั้นว่าเราตถาคต จะประทานเพลิงศพเจ้าพิมพาก่อนผู้อื่นใดในการระบาดนี้สมเด็จเท้าโกสีผู้เป็นใหญ่ในไตรตรึงสวงสวรรค์ได้สดับพระพุทธฎีกาดังนั้นก็มิได้ทรงรอช้าให้เสียเวลาน้อมเอาเพลิงอันเกิดแต่แว่นแก้วมณีเข้าทูลถวายทันทีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเอาเพลิงมาแต่หัดเท้าโกสีแล้วก็ทรงประทานเพลิงต่อจากนั้นจึงพระพรหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ต่างก็เข้าถวายเพลิงเป็นลำดับไปในภายหลังเพลิงที่มนุษย์และเทวดาถวายก็ดีเตโชธาตที่บังเกิดขึ้นเองก็ดีทั้งสองสิ่งนี้ได้รวมการเผาผลาญรมาศสมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าให้เป็นเท่าฐานละเอียดจุนวิจุนแต่มาดว่าพระอังคารก็ไม่ได้เหลือหลงยังคงมีแต่พระธาตุซึ่งมีพันณะอันงามดุจ ด, ดอกมณฑาเท่านั้น ครั้นการถวายพระเพลิงบรมศพพระนางผู้มีคุณใหญ่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าเอเสนที่กกศลมหาราชจึงทรงกราบทูลองค์พระจอมไตรโลกนาดขึ้นในขณะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพานครั้งนี้ปรากฏว่ามีมนุษย์และเทวดาอินพรหมยมยักษ์พากันมาสการบูชาและถวายพระเพลิง มากมายยิ่งนักนาควรจะเห็นว่ามากกว่าพระอาหารหันตสาวกที่ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนี้บรมธาตุอันมีพันธะงามดุดดังดอกมณฑาแห่งสมเด็จพระนางพิมพาเถรีที่เหลือปรากฏอยู่นี้ควรจักนำไปประดิษฐานไว้ณที่ใดพระเจ้าค่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสวรรการพระราชบู ช, ชาดังนั้น จึงทรงมีพระพุทธดีกาดำรัสสั่งองค์ราชาธิปดีประสิทธิโกศลให้ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์ณสถานที่อันควรแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมาธาตุศีดอกมณฑาแห่งองค์พระพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าเพื่อให้เหล่าเทวดาอินพรหมและมนุษย์ที่มีน้ำใจเคารพเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้กระทาคารวะสักการะบูชาสืบต่อไป ชั่วการนานด้วยประการชนิดเอาวสารบทสมเด็จพระชินีร์สีสะพันยูเจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมศ า, ศาสดาของพวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสพระพุทธดีกาไว้ว่ากิจโฉมนุษสะปฏิลาโพการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากบัดพระคาถานี้พระธรรกถาจารย์ผู้มีญานวิเศษ และมีปัญญาอย่างทราบความหมายในพระพุทธฎีกาอย่างแจ้งชัดได้กรุณาให้อา ธ, าธิบายความไว้ว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ได้โดยยากก็โดยเหตุว่าการที่จะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นจะ ต, ต้องได้ด้วยความบากบัน่นพยายามก่อสร้างกองการกุศลอันยิ่งใหญ่เสียก่อนจึงจะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้จริงอย่างนั้น บรรดามนุษย์หรือผู้คนในโลกนี้ก่อนแต่การที่จะเกิดมาคือในขณะที่จะถือเอาซึ่งปฏิสนธิเพื่อเกิดมาเป็นคนในมนุษย์สยโลกนี้นั้นต้องอาศัยกรรมฝ่ายดีซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมเป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นตัวการบรรดาลอันสําคัญยิ่งทั้งกุศลกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นตัวการบรรดาลอันสําคัญยิ่งนี้จะต้องเป็นกุศลกรรมที่มีพลังกล้าแข็งเพียงพอด้วย จึงจะสามารถชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้หากเป็นกุศลกรรมที่ไม่มีกำลังหรือมีกำลังอ่อนแอไม่สามารถที่จะต่อต้านกับอกุศลกรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วกุศลกรรมนั้นถึงแม้จะมีอยู่โดยแท้แต่ก็ไม่สามารถที่จะชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้เมื่อกุศลกรร <drafted> มไม่ามีกาลังกล้าแข็งเพียงพอที่จะชักนำให้มาถือปฏิสนธ replies, สาาิเกิดเป็นคนได้ สัตว์ทั้งหลายจักไม่ถือปฏิสนธิเกิดเป็นอะไรอื่นนอกจากจตุราบายคือว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมจักถูกอกุศลกรรมที่มีกําลังแรงกล้ากว่าชักพาให้ไปถือปฏิสนธิในจัตุราบายโดยให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนิระยะภูมิบ้างให้ไปเกิดเป็นเปรตในเปรติวิทยภูมิบ้างให้ไปเกิดเป็นอสุรากายในอสุรากายยภูมิบ้างให้ไปเกิดเป็นสัตว์ติระฉานในติระฉานภูมิบ้าง ในกรณีนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทราบว่าเหล่าสัตว์ที่ถูกอกุศลกรรมชักพาให้ไปถือปฏิสนธิในจตุราบายคือในอบายภูมิทั้งสี่ย่อมมีปริมาณมากกว่าเหล่าสัตว์ที่ถูกกุศลกรรมชักพาให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษย์โลกนี้อย่างเทียบกันไม่ได้เขาโคกับขนโคย่อมมีปริมาณซึ่งจะเอามาเทียบกันไม่ได้ชันใดเหล่าสัตว์ ที่ได้ถือปฏิสนธิในจตุราับายกับเหล่าสัตว์ที่ได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนก็ย่อมมีปริมาณซึ่งจะเอามาเทียบกันไม่ได้ฉันนั้นหมายความว่าอย่างไรกันหมายความว่าในขณะที่จะถือปฏิสนธิเพื่อเกิดในภพชาติใหม่นั้นสัตว์ทั้งหลายได้พากันไปถือเอาปฏิสนธิในอบายภูมิทั้งสมีปริมาณมากมายเท่ากับจํานวนขนโคส่วนเหล่าสัตว์ที่มีโชคดี พากันมาถือเอาปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้มีปริมาณน้อยนักเพียงแค่เขาโคเท่านั้นโคตัวหนึ่งมีสองเขาแต่มีขนเท่าใดเล่ามีจํานวนมากมายจนไม่มีใครอยากจะนับทีเดียวขนโคทั้งตัวอันมีจํานวนมากมายนั่นแหละเทียบได้กับจํานวนของเหล่าสัตว์ที่พากันไปถือปฏิสนธิในจตุราบายฝ่ายเหล่าสัตว์ที่ได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยยโลกนี้ ย่อมมีแต่เพียงคู่หนึ่งซึ่งเท่ากับจำนวนเขาโคเท่านั้นในปฏิสนธิการครั้งหนึ่งเมื่อจะกล่าวถึงความยากและความง่ายในปฏิสนธิภาพแล้วไซการที่สัตว์ทั้งหลายจกพากันไปถือปฏิสนธิในจตุราบายย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยง่ายได้ส่วนว่าการที่สัตว์ทั้งหลายจะได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยากนัก หากจะเปรียบกับกิริยาของคนที่ว่ายน้ำไปในมหานาทีการที่จะบ่ายหน้าไปถือปฏิสนธิเกิดเป็นสัตว์ในจตุราบายย่อมเปรียบประหนึ่งคนที่ว่ายน้ำไปตามกระแสน้ำไหลซึ่งเป็นการกระทำที่ง่ายได้ส่วนการที่จะได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยยโลกย่อมเปรียบประหนึ่งคนที่ว่ายทวนกระแสน้ำซึ่งเป็นการกระทำที่ยากนักหนา การได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาปราดทั้งปวงพากันกล่าวว่าเป็นโอกาสดีวิเศษสุดทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าโอฬารมหาศัก ร, ริ์เป็นาศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัพพันดูเจ้าทรงประกาศอาจจะกล่าวได้ว่าบรรด า, าศาสนาต่างๆที่ปรากฏมีในโลกทุกยุคทุกสมัย ศาสนาอื่นใดที่จะมีคำสอนอันวิเศษประวัลถูกต้องตามสภาพธรรมความเป็นจริงเหมือนพระพุทธศาสนานั้นเป็นอันไม่มีอย่างแน่นอนความวิเศษประวัลแห่งพระพุทธศาสนาย่อมปรากฏมีอยู่มากมายสุดพันน า, นาแต่ที่นับว่าวิเศษสุดก็คือในพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดานี้มีวิธีการสอนเพื่อให้บรรลุธรรมวิเศษถึงขั้นวิมุตติธรรม ความหลุดพ้นจากกองทุกข์เมื่อบุคคลใดซึ่งมีโอกาสดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีปัญญาผ่องใสใครจะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารและต้องการจะบรรลุถึงพระ น, นิพพานอันเป็นวิมุตติธรรมหากเขาผู้นั้นอุตสาหะปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏมีในคาสอนอันเป็นนิยานิกธรรม ท, ทางพระพุทธศาสนาแล้วไซรก็อาจที่จะได้บรรลุ วิมุตติธรรมเป็นขั้นขั้นไปตั้งแต่วิมุตติธรรมขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าสังยชน์กิเลสทุลีแม้แต่เท่ายองใหญ่ก็ไม่มีเหลือติดอยู่ในขันธสันดานเป็นผู้หมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารได้รับประโยชน์จากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่างชื่นชมยินดี ทั้งเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพ บ, บูชาแห่งปวงเทวดาและมรุษย์ทั้งหลายดำรงชีพอยู่จนสิ้นอายุไขแล้วก็จะเคลื่อนแคล้วดับขันเข้าไปเสวยสันติสุขอยู่ณพระอรตะมหาปรินิพานอันเป็นวิเศษสถานสุภมงคลนับว่าเป็นผู้ล่วงพ้นจากมุขขมลทนแห่งพระยามัตยุราชไปชั่วนิรันการเอวังก็มีด้วยประการชนนี้